ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอการทรกสูตรในมัชฌิมานิกายมัชฌิมนปนาตในช่วงที่เป็นขหาปติวัตรคือประธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ชาวบ้าน อันนี้ก็เริ่มต้นจากชาวบ้านคนหนึ่งกับบุตรขนายควานช้างคนหนึ่งเออปริพาชกคนหนึ่งการทรากะนั้นเป็นชื่อของปริพาชกแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุหลังจากนายเปตสกับการทรารกะปริพาชกกลับไปแล้ว เราสั่งในตอนต้นว่าต า, ากนายเปตสะจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งคือฟังบุคคลสี่ประเภทที่ทรงจำแนกแสดงไว้ให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็จะได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สุกติ แล้วก็ทรงเรียงธรรมะมเ่านี้มันโดยลำดับก็ที่พูดมามาถึงเรื่องของการละนิวรณการละนิวรณ น, นั่นเป็นผลของการเจริญสมาธิได้ระดับฌานก็เป็นเรื่องของการสงบนิวรณ์นะฮะทรงแสดงถึงการสงบนิวรณมาก่อนเดี๋ยวก็แสดงรูปฌานทีหลัง นิวรณ์นแง่ของความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตประจาวันของเราเราก็สามารถบรรเทาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบในการเจริญกรรมฐานแต่ประการใดเช่นกรรมฉันนิวรณใจที่เหนีวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่เนี่ยอาจจะเหนีวนึกจากอาดีตอาจจะไ ข, ขวคว้าอนาคต อาจจะกำหนัดเพลิดเพลินด้วยปัจจุบันแล้วในขณะนั้นเนี่ยกขพยายามมองในแง่มุมที่ไม่สวยไม่งามสชบางคือแทนที่จะมองเท่านิบที่มันปรากฏเี่ยมองเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่มองไร้กับเรามองลงศพที่สวยงามประดับมุกราคาแพงมาก เลยทะลุไปถึงตัวศพที่อยู่ข้างในแต่ความกำหนัดพอใจยินดีในโรงศพมันก็จะลดลงไปเพราสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นแล้วเกิดกำหนัดมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราไปกำหนดว่ามันสวยกําหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องถ้ากําหนดอย่างนี้ใจกําหนัดก็จะเกิดขึ้น ก็สงสอนให้เจริญนสุภากรรมฐานซึ่งความจริงนะ่ะมันเป็นสุภาะความไม่จริงเนี่ยคือเป็นสุภาะเพรสุภาะที่แปลว่าสวยงามที่จริงไม่เรื่องการปรุงแต่งขึ้นแล้วเราก็เห็นกันตรงๆในชีวิตประจำวันว่าโลกนี่เป็นมารยาในการปรุงแต่งในการประดับประดากันด้วยวิธีการต่างๆ ก็กลายเป็นธุรกิจความงามมโาหูลานมากๆเป็นเครือขา่ายยงใหญ่กันไปในส่วนต่างๆของโลกหรือวันก่อนได้ดูรายการที่เขาเรียกอะไรกรบนอกกลาเริ่มความเป็นมาของวิกผมโอ้โหกระบวนการเดินทางมันไกลามากๆกันนะ จากชนน บ, บที่ห่างไกลของประเทศจีนก็เดินทางในประเทศจีนเนี่ยหลายตอนจนกว่าจะเข้าโรงงานแล้วกว่าจะผ่านมาเป็นวิกผมได้แต่ละวิกเนี่ยเรฉะนั้นเราเห็นได้ว่ามันมาจากความปฏิกูลจริงๆแต่ก็มีการปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆคนเราก็มองเห็นด้วยความวิปลาด ขัดเคลื่ในความจริงในความพยายามเนี่ยความโกรธความโกรธความมาฆาพยายามคือวันก่อนเมื่อวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยได้ไปเยี่ยมพระที่จังหวัดยะลาคือตั้งใจจริงๆตั้งใจจะไปทั้งสามจังหวัดแต่พอดีก็ทางสนัก ง, งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่าน ให้ผู้อำนวยการตามไปด้วยเราก็ไม่ยอมให้ไปก็ให้ไปเฉพาะที่วัดเมืองยาลาวัดเดียวโดยนเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาพบกันคือได้ขออนุมัติเงินของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับไปถวายเจ้าคณะจังหวัดถวายแนะนําจังหวัดนะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับจังหวัดอะไรก็พ อ, อ, อ, อช่วยกันได้เนะี่ย ก็ให้เขช่วยเราก็เท่าที่ช่วยได้นะก็ได้ไปประมาณแสนแสนหนึ่งมืน่นแต่ก่อนหน้านั้นก็เคยเอาพระเครื่องพระภัยีพนาตไปแจกทหารตำรวจก็หมื่นองค์ก็บรดีบันนั้นน่ยคือตั้งใจจะคุยสอบถาม เรื่องวมเป็นมาเป็นปอยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทำไมจึงฆ่ากันไปหลายวันอย่างนี้คือต้องลงว่ามันใครฆ่าเนี่ยเรายังไม่รู้ฆ่าใครในรู้นะฮะเพราะฆ่าแล้วแต่ฆ่าเพื่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกลแล้วใครอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่รู้อีก ค่าที่ไหนนม่รู้อะก็ต้องลงรู้อยู่สองอย่างค่าใครค่าที่ไหนค่าเพื่ออะไรใครค่าใครอยู่เบื้องหลังไม่รู้เพราะสภาพเ่านี้เราจะเห็นว่ามันอาจจะมาจากพยาบาทก็ได้อาจจะมาจากความโลภ ก, ก็ได้อาจจะมาจากความเบียดเบียนก็ได้ แต่ดูแล้วก็ผสมปนเปนกันพอกลับมาถึงวัดก็ประมาณวันที่สิบสองนะะครับมียงก็ถ่ายเอกสารหนังสือคู่สร้างคู่สมไม้ดูเป็นการสัมภาษณ์พี่สะพายของบิลลเดน แล้วเขาก็ถามถึงอุดมการ์ของบินลาเดนว่าเป็นคนที่มีอุดมการ์อย่างไรบ้างนะเขาบอกเขาไม่มีอุดมการอะไรนะว่าเขาทำความจริงแต่เขามีความรู้สึกที่น่ากลัวมากๆเนี่ยคือเขาบอกว่าคนที่ไม่นับถืออิสลามไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป้งกลายเป็นภารกิจของเขาที่จะต้องฆ่าคนซึ่งไม่นับถืออิสลามมันคิดที่น่ากลัวมาก โดยเห็เนว่าถ้าเขากระจายความคิดเหล่านี้ออกไปแพร่หลายในโลกอิสลามนะฮแลว้วพยายามเรียกร้องสงครามศักดิ์สิทธิ์สงครามยีฮัตเนี่ยอุกขยุ่งมากโลกจะหาความสมบได้ยากแล้วก็มีคนมาเล่ามาอะไรให้เราฟังนะคือยังมีความรู้สึกว่ามันมีขุมขายยงใจแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวมันหลายเรื่อง เพราะฉะั้นเวลาคนเหล่านี้เขาคิดเนี่ยมันก็เป็นเป็นนิวรนะฮะเป็นพยาบาทแล้วก็ออกมาก็กลายเป็นการเบียดเบียนทางกายทางวาจาอย่างที่เราเพื่อเห็นกันต่สังคมไทยเราเป็นเรื่องที่น่านเสียดายนะฮะคือคนชอบพูดซ้ำเติมรัฐนะหมายความว่ารัฐบาลทำอะไรเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พูดซ้ำเติมทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นอะไร เราเลือกมองเอาจะเฉพาะจุดใดจุดหนึง่งนั้นมีลักษณะของความลิสยาความเบียดเบียนความแข็งดีแต่สรุปได้อย่างหนึ่งว่าผู้นี้ใจไม่สุจริตหรอกถึงแสดงสุจริตยังไงก็ไม่สุจริตเพราะเราเห็นชัดเจนว่าคติคือไม่ไม่ฟังข้อมูลทุกๆสาย การวินิจฉัยตัดสินเนี่ยถ้าเป็นฝักเป็นฝ time, ่ายเราตัดสินไม่ได้อย่างที่บอกว่าคือการมองเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเราจะรักษาจิตแต่ยากแต่ถ้าเรามองที่กรรมเนี่ยเรารักษาจิตได้ง่ายคือถ้ามองในตัวการกระทําเนี่ยรักษาจิตเราได้ง่ายว่าเราจะไม่เอียงอ่ะแต่ทําทอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีเราไม่ได้เอาเราเป็นมาศ แตรกรรมเนี่ยเป็นมาดเอาธ ร, รมะเนี่ยเป็นมาดวัดธรร ม, มะเขาว่าอย่างนี้คนทํากรรมอย่างนี้ธรร ม, มะว่าอย่างไงาการที่ผิดที่ถูกก็เราก็ชี้ผุดที่ผิดที่ถูกไปตามธรรมะแต่ถ้ากําหนดเป็นคนเป็นสัตว์เลยจะย า, ยากเผื่อความเมตคาพยาบาทเนี่ยถ้าเรามองกันด้วยเมตตาสักบ้างคืออย่างที่บอกแต่ว่าเขาคิดอย่างไงเนี่ยเราไม่เข้าใจ แต่วันก่อนที่ก็ถ่ายทอดสดในคืนวันที่ทลายวันคิดที่11สิบเอ็ดนี่ย น, นะฮะแต่ทอดสดมาจากเาม่กะแล้ว ก, ก็ขึ้นบทบทอะไรในะคัมภีวอ่อั น, อ, นอันกุไอานบทที่สี่ก็ก็ที่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอะะ คือถ้าเราฟังอยู่ตรงนั้นมันก็นิ่มมันมีลักษณะสมานฉันท์ลักษณะเป็นมิตรอบอุน่นแล้วก็ยอมรับและถือสถานะของกันและกันถ้าเราคิดอย่างนั้นเมตตา ม, มันเกิดได้แต่ว่าทำไมมันจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยก็แสดงให้เห็นถึง อธิความศาสนาผิดไปไหมหรืออาจจะได้รับการชักจูงแนะนําในทางที่ผิดเพราะว่าจริงๆการตีความเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเราเองก็ตีความผิดกันเยอะอขัดแย้งกันดูเองคือศาสนาม่ะก็เป็นอย่างนั้นอ่ะจะมีความแตกต่างในด้านศีลกับด้านทิฏฐิเพราะความเห็นมันผิดศีลก็ผิด แล้วก็ถีน้ำมิทะเนี่ยคือถ้าเรามีความหมั่นขยันมีความเอาจริงเอาจังมีความกระฉับกระเฉงอย่างเวลาเนี้ยเรามีการบริหารร่างกายอะไรเนี่ยจะได้ ง, งานลุกขึ้น เ, เต้นสั บ, บ้างเดินสั บ, บ้างสะบัดเที่ยวตัวอะไรต่างบริหารร่างกายนะครับผู้บริหารร่างกายแต่ บ, บ้างอาการง่วงเหงาหงนอนซึ้งซึ่งงวเหงาหดผู่เคริบเคริ้มจืดชืดทั้งหลายนี่ก็จะลดลงไป เห็นรทัดจากกุจัเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามทำใจให้สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆอะและทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเ ร, เรื่องดียังไม่ได้เอาเรื่องกลางๆภูเขาต้นไม้หนังสือทั้งหาอะไ ร, ต, ไรต่างๆเนี่ยก็ดดูแม้แต่ข่าวคราวอะไรทั้งโทรทัศน์ สารคดีทางสื่อต่างๆเนี่ยก็ดูกันไปและ ว, วิจิกิจฉานี่เราก็ใช้หลักการคิดเนี่ยการคิดโดยมีเหตุมีผลในวันก่อนเนี่ยมีคนก็มาสอบถามเรื่องหนังสือพลังแห่งชีวิตถามว่าไปอ่านแล้วยางบอกอ่านแล้วอา่านตแต่ต้นๆพอเห็นก็โฆษณาเราก็ให้เด็กจองมาให้เขาก็ส่งมาให้สามสี่แผ่น ก็เราก็อ <Gedanken. S 1> ่านแล้วเราก็ขำๆมานะฮะคือยังนึกว่าไม่ต้องเอามากเราเอาขนาดแผ่นเล็กๆแผ่นพับแผ่นเดียวที่วก็ส่งมาให้หรือว่าจดหมายนำเราถามจากจดหมายนำเนี่ยนะฮะเราจะสามารถถามได้หนังสือเป็นเล่มก็ยังนึกว่าเออเขาเชื่อก็อนุทนาเขานะฮะแต่ว่ามันยุคสมัยอย่างนี้มันควรจะคิดในสมเหตุสมผลมากกว่านั้น มันดูแล้วมันเป็นอนานิคมเป็นอนานิคมทางความคิดมันเป็นกระแสที่ถูกสร้างขึ้นล้วกลายเป็นค่านิยมต้องนับถือฝรั่งนะอย่างพออะไรหลังบันนั้นนะ่ก็มีนักข่าวที่สิบเอ็ดก็มีนักร้องอะไรคนหนึ่งที่ตายไปปรากฏว่าตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนเป็นข่าวรีดนับถือคิ ท่านท่านที่เป็นพุทธมาก่อนเล่าพีเซนเตอร์หนังสือพลังแห่งชีวิตบางคนก็เป็นพุทธมาก่อนบางคนเคยบวชเนรด้ทั้งไปนะฮะเออวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรายังมีปัญหาเรื่องความโลภเรามีปัญหาเรื่องความโง่ความหลงหมายความว่าใจเราก็ยังอยู่ในพวกกา ร, รมสันกับพวกวิจิกิจฉานะี่ย คือถ้าถ้าเรามองกันในแง่ของความเปจริงอนะคือคนที่เกิดมาในสกุลอะไรลูกหลานพ่ อ, พอแม่ครอบครัวนับถือศาสนาอะไรนับถือตาม บ, บรรพบรรพุทธวิเราดีแล้วนะฮะก็มันเป็นครอบเป็นครัวที่อยู่กันด้วยความอบอุ่นแต่การมาสร้างความแตกแยกไปดึงลูกเข้าไปนับถือศาสนาตัวเอง แล้วกลายเป็นแตกกับครอบครัวเนี่ยก็ไม่รู้มันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะาศาสนาพุทธเราจนเดี๋ยวนี้นะเรายังไม่คิดที่จะแย่งาาศสาสนิกในาศาสนาไหนเลยที่เราไปสร้างวัดต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าคนไทยเขาย้ายไปอยู่ก่อนแล้วก็ต้องการให้พระไปอยู่เป็นเพื่อนสร้างวัดเขาก็ดําริขึ้นมาสร้างวัดแล้วก็พระเรานี่กระถูกมนิมนต์ไป กวางดังแต่เขาสนใจในะเขาสนใจมาก่อนโดยสนใจทีหลังก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็ไม่มีการชวนเนี่ยนะฮะไม่มีการชวรนในคาริสที่เราเราลองนึกดูว่าประเทศชาติบ้านเมืองที่ศาสนาสันนิษฐานมีจานวนกั้มกึงกันเนี่ยไม่มีทางส ง, งบหรอกไม่ว่าประเทศไหนก็ตามครคือศาสนาสนิกจะต้องทวงหนักไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วก็บ้านเมืองก็จะสงบแต่ถ้ากั้มกึ่งแล้วจะไม่สงบบังนี้ต้องผ่าประเทศอย่างเนี้ยอย่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยต้องผ่าประเทศแตเวลานี้ก็ยังไม่สงบอยู่ที่แคทเมียนะก็คงจะอีกนานนะทีนี้ในช่วงต่อไปนี่สรงแสดงเรื่องฌาน ชานเนี่ยมันโดยโดยเหตุเนี่ยเขาเรียกความเพ่งก็คือตอนเจริญสมถะ ก, กรรมฐานนั่นแหละถ้าเจริญกรมกรมฐานกรรมฐานเรียกว่าอารามมโนปนิชานคือเพ่งอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้ที่ทำให้จิตมันสงบดูดินน้ำดูลมดูไฟดูอากาศดูน้ำไหลดูแสงทูป อ, อ, อะไรแสงเทียนอะไรก็ได้ก็ไม่ว่า ก, กัน ประถุประสงค์ก็คือให้จิตมันสงบจากนิวร์ทั้งทั้งห้าประการออกไปได้แต่การแสดงนิวร์เนี่ยตอนพระสูตรนี้ไม่ไม่ขยายพิสดารอย่างไนภูติกนิกายนะแล้วข้อต่อไปก็ชาในทรงอธิบายสภาพจิตนะฮะสภาพจิตว่าภิกษุนั้น ละนิวรห้าเหล่านี้อันเป็นเครื่องหมองเครื่องเศร้าหมองแห่งใจทำปัญญาให้ทุรพลได้แล้วสงัดจากกรรมสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฉาดในความเป็นปฐมฉาดเนี่ยจิตมันจะประกอบโดวยวิตกคือความตรึกวิจาร์คือความตรอง บิติคือความ อ, อบอิ่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจแล้วก็เอขะกขตาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นนันเดียวคือตั้งมั่นเป็นสมาธิเออซึ่งในในความเป็นจริงไงนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนิวรณ์จะส ง, งบไปเพราะอันนี้เกิดก่อนแล้วนิวรณ์สงบคล้ใกลกระแสแสงสว่างเกิดก่อนในความมืดหายไปทีหลังแต่มันติดกันเนะีะยควรจะพูดอะไรก่อนก็ได้พูดอะไรหลังก็ได้ นะเราก็บอกว่ า, าสว่างแล้วก็ได้หรือบอกเ ป, เปิดไฟแล้วก็ได้นะฮะคือ้าเราเห็นสว่างเหมือนกันสว่างเป็นการบอกสว่างแล้วเป็นการยืนยันเรงความมีอยู่ของแสงสว่างและความไม่มีของความมืด พอเบิกบอกก็เปิดไฟแล้วก็เป็นการยืนยันถึงการปรากฏตัวของแสงสว่างและการหายไปของความมืดมันพูดยังไงก็ได้ทีนี้พอถึงทุทิยฌานเนี่ยจะมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นคือหมายความว่าลักษณะจิตที่แน่แน่เนี่ยดิ่งลงเนี่ยผุดขึ้นวิตตุพยฌานส ง, งบเพราะงั้นยังเหลือแต่ปิติสุ กับเอกาตาเอกาตาคือสมาธินะฮะทีนี้จากนั้นต่อไปก็จะทรงอธิบายว่ามีมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีเบคขามีสติสัมยันยะและสมวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานนั้นเป็นการอธิบายถึงสภาพจิตแต่ว่าเวลาอธิบายทั่วไปเนี่ยจะอธิบายว่าปีติไม่สงบยังเหลือแต่สุขกับสมาธิพุทสุขกับเอกกตาแล้วก็จากนั้นก็จะบรรลุเจตุจฉานแต่ว่าเวลารับสั่งแสดงเนี่ยจะส่งอธิบายว่า ไอ้ตัวตัติยชาเนี่ยที่พระพุทเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วบรรลุจจตุติฌานในความเป็นเจตุติฌานเนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขได้ทุกข์ได้แล้วก็ดับโสมนัติโทมนัติได้ก่อนเพราะฉะนจิตในขณะนั้นก็มีเจ้าพะอุเบกขากับเอขกขัตา อุเบกขานั้นเวลาแสดงรายละเอียดเนี่ยแสดงไว้ถึงสิบประเภทด้วยกันนะแต่กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือจิตที่ไม่หวั่นไหวไปกับความหยิต ด, ดียินร้ายมันมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันเราจะพบว่าส่วนหนึ่งที่เราคุ้นเนี่ยคืออุเบกขาในอารมณ์กเขาเรียกฉลังอุเบกขา เห็นรูปฟังเสียงลมกินลี้มรถถูกต้องยินนอนอนแข็งใจเหนียวนึกถึงนึกถึงอารมณ์เนี่ยไม่เกิดยินดียินร้ายแต่ตามปกติแล้วเราก็เรียกอินทรีสังวรนะฮะท่านรูปฟังจะคุ้นคาว่าอินทรีย์สังวรแต่เรียกอุเบกขาก็เรียกว่าฉลังอุเบกขาอุเบกขาในอารมณ์หกดาก็คงเห็นรูปหูก็คงฟังเสียงนะแต่ว่าใจมันนิ่งใจสงบมันรู้เท่าทันทั้งควาจริง การรู้ธาตุขันความจริงนั้นอาจจะมองว่ารูปก็สักไปรูปเสียงก็สักไปเสียงกลิ่นก็สักไปกลิ่นจะเห็นก็สักไปเห็นได้ยินก็สักไปรปได้ยินได้ทราบก็สักไปรูปไทราบได้รู้ก็สักไปรู้นะฮะก็ก็คือกันจะใช้อะไรเป็นตัวกําหนดคิดก็ได้และเวลาท่งสอนก็สอนทั้งสองแนวบางครั้งก็เป็นชัดเจนในขณะนั้นนั้น หมายความว่าได้ยินเสียงก็ตกไ ป, ปจากจิตละก็สักแต่ว่าเสียงให้เราสังเกตุการทําจิตอย่างเนี้ยที่จริงเราก็ทําได้อยู่ระดับหนึ่งทุกวันเนี่ยเราก็มีอยู่ทุกวันเนี่ยมีเยอะที่อายตนะภายนอกคือมีรูปเป็นต้นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยในขณะเดียวกันก็มีเป็นมากที่เราเห็นได้ยินแล้วเนี่ยเราไม่ใส่ใจเลย ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วก็ส่วนใหญ่อารมณ์จะเป็นอย่างนั้นพอถ้าเราไปยุ่งไปยินดียินร้ายอะไร้าหมดเนยมันก็วุ่นตายนะฮะเพราะอารมณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ยินดียินร้ายเพราะความยินดียินร้ายเป็นเกิดจากจิตเรากำหนดเอากาหนดด้วยความโกรธเราก็ยินร้ายกําหนดด้วยความรักเราก็ยินดีที่โอกาสที่จะโกรธโอกาสที่จะรักมันไม่ใช่เกิดได้เรื่อยๆ ถ้าใจเราไม่กำหนดด้วยความกำหนัดเป็นความกำหนัดก็ไม่เกิดถ้าไม่กำหนดด้วยความขัดเคืองความขัดเคืองก็ไม่เกิดไม่กำหนดด้วยความหลงความหลงก็ไม่เกิดไม่กำหนดด้วยความประมาทความประมาทก็ไม่เกิดก็หมายความว่าใจเรามีสติมีสัมมชัญยะมีความเพียรอยู่เนี่ยเราก็สามารถสงบพวกนี้ลงไปได้ในแต่ละขณะ อุเบกขาในพรหมิหารจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอุเบกขาในพรหมิหารนั้นเป็นการมองสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเป็นอารมณ์ก็อย่างที่ทรงสอนในสูตรสาธยายนะฮะว่าคนร่มมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเหนื่อมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมมีที่พึ่งอาศัยใครตามกรรมมันได้ไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คือเวลาเขาได้ดีเนี่ยเพราะการทําดีของเขาแล้วเขาได้ดีเราก็มุทิตาแต่ทีนี้เขาดารงอยู่ในความดีอย่างต่อเนื่องเราก็เบิกขามันกลๆกับลูกล ก, ลนะก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วนะตอนแกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาแต่ลูกก็อยู่ดีมีสุขแล้วสบายแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายได้กับเขาหรอก หรือว่าคนบางคนทำกรรมชั่วซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ใจแม้คนนั้นจะเป็นลูกของเราเราก็ต้องมองในแง่ของกรรมเพราะไปยินดียินร้ายอะไรไม่ได้ไปแสดงเมตตาต่อลูกซึ่งไปฆ่าคนตายแล้วถูกตารวจจับก็ไม่ได้ไปกรุณ า, าคือต้องการช่วยลูกให้พ้นจากคุกกระรางก็ไม่ได้ ไปแสดงมุทิตากับลูกที่ได้ติดคุกก็ทำไม่ได้แล้วก็มีอย่างเดียวอุเบกขาหรือต้งใจมัธยสุโกเป็นกลางแต่อุเบกขาในที่นี้เป็นอุเบกขาในชานนะมันเพ่งดูที่จิตแล้วก็พร้อมที่จะเหนียวอะไรขึ้นมายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา ปัเบขาที่จริงมันมาจากอุปะอิขะอิขะก็คือตานะฮะเข้าไปเพ่งดูเพ่งดูด้วยจิตแล้วเราจะเห็นถึงอาการของัตรลักษ็์ภายในจิตของเราเพราะจากจากจุดตรงนี้เวลาส่งแสดงในที่อื่นก็ส่งแสดงว่า เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องพระญาทั้งสามประการพระญาทั้งสามประการที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะนีค่อนข้างยาวแต่ก็อยากจะอ่านให้ฟัง่ ให้ฟังแต่น้อยเพื่อเพื่อจะเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้าอธิบายเองและอธิบายอย่างนี้ทุกทีเพบางครังบางคราวเนี่ยพระครูบาอาจารย์อะไรแต่อะต่างๆที่พูดตีความอะไรธรรมอาทิฐานอะไรแต่ไรว่าเรื่อยไปพระพเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคือเรามีหน้าที่อธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าตามที่ทรงอธิบาย คืออย่างที่บอกว่าพระตถาจารย์นั้นท่านเคารพที่ทูลต่อพระสัทธรรมบอกว่าเราเป็นเพียงราชทูตอราชสารดูราชสารย์เขาว่ายังไงเนี่ยก็คืออย่างนั้นเนี่ยวันในราชสารลคือพระยานนะครพระยานเหล่านี้ก็จะรับสั่งว่าพิสูจนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิหมายความว่า จะเป็นใครก็ตามนะ่ะบางทีก็เรียกว่าโยธาวระจรบางทีก็เรียกบุคคลอะไรก็ได้นะตรงนี้จิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ข่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุเพนวิวาสารติยานคือการตามมาลึกถึงชาติปางก่อนของตน เราสั่งว่าเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นนันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งสองชาติสามากก็ น, นับไปเรื่อยจนไปโน้นเลยไปถึงตลอดวิวัตตะกับเป็นนันมากวิวัตตะกับจะไม่ต้องนับอันนับไม่ไหวกลับก็จะนับไม่ไหวเลยแล้วก็สังวัสังวั ต, ตะวิวัตตะกับตัวนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีทางธรณีวิทยาเลยทํานอง น, นี้พูดถึงอายุของโลกเนี่ยมันก็พูดเป็นหมื่นหมื่นปีมื่นมื่นล้านนะฮะหมื่นมื่นล้านแต่ว่าอายุมนุษย์เนี่ยพูดป็นเป็นเป็ น, ปนหมื่นมื่นปี นะก็แว่งไปแต่แถวเนี้ยฮะแถวสอง0มื่สามื่นสี่มื่นเนี่ยแล้วก็นับประวัติศาสตร์แค่ห้าพันเนี่ยแต่ถ้าเราดูที่พยานของพระพุทธเจ้าในข้อนี้มันแสดงว่ามันผ่านมากเป็นสังวัตตวิวัตตานะฮะไม่รู้เท่าไหร่สังวัตตวิวัตตกับคือคือมันนับมาตั้งแต่แสนชาติ สังวัตกับมิวัตกับแล้วก็สังวัตตะวิวัตกับคือนับนับไม่รู้เท่าไรมันไม่พูดเป็นล้านนะมันพูดพูดเยอะเลยเกิด ค, คือถ้ า, าลองนึกดูว่าถ้าโลกมันเพิ่งมีท่าเนี้ยนะหลักฐานในพระบาลีมันก็ถูกทำลายอย่างพวกชาดกเนี่ยไอ้ชาดกเราใจมันมานานมากๆ นานมากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโลกนั้นมันได้ผ่านความเจริญยุคอยุคเสื่อมยุค เ, เจริญอะไรกันมาแต่ความรู้อย่างนี้เราอย่าลืมมาเป็นความรู้ระดับยานส่วนของพลังนั้นก็เป็นความรู้ที่เขาศึกษาจากหลักฐานนี่ฐานบางอย่างเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแม้แต่เป็นเพราะสิ้นอะไรต่าง ๆ, างๆมัก็ไม่เหลืออยู่แล้วแต่ที่สำคัญ ย, ยิ่งก็คือว่า ตลอดสังสารวัตอันยาวนานนั้นได้ผ่านการเกิดมาเป็นนันมากแล้วก็ส่งอธิบายนะส่งอธิบายฉันยกตัวอย่างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นกันยุติจากนั้นแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆอธิบายเล่าไปแล้วก็ จุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมมาลึกถึงชาติก่อนเป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเชตโดยประการชนิดทีนี้ข้อจดต่อไปจุตูปปาตยานจุตูปปาตยานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้ยินคําว่าที่ประจักษ์สุบางครั้งเราได้ยินว่าจุตูปปาตยานคือจุตูปปาตยานนั้นเป็นการเห็นรู้เห็นด้วยสภาพจิตไอสภาพจิตเนี่ยสำคัญมาก คือบางทีที่เราพูดเนี่ยเราเราเราไม่นึกถึงว่าจิตต้องเป็นอย่างนี้จึงจะเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่เห็นอย่างนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนคล้ายๆกับขึ้นไปยืนยืนบนตึกใบหยกสองนะฮะแล้วมองเห็นพระบาทมสมเจพระบมมุินะฮะหมายความมายืนตรงนี้จึงเห็นสิ่งนี้ที่ยืนยืนตรงนี้มองไปทางทิศนี้จะเห็นสิ่งนี้ เพราะในสอย่างไม่ต้องทับปันกันไม่จะยืนตรงนี้แล้วหันไปิามทิศไหนก็ไม่รู้เ้วจะเห็นสิ่งนั้นมันก็ไม่ก็ไม่ใช่มันจะถูกกำกับว่ายืนตรงนี้มองไปทางทิศ น, นี้แล้วก็เห็นสิ่งนี้เราที่อยู่ไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำได้สองอย่างคือหนึ่นงก็เชื่อตามที่ท่านบอก สองก็คือขึ้นไปยืนในจุดเดียวกันแล้วมองไปในทิศเดียวกันถ้าไม่เห็นก็ค่อยมาว่ากันแต่ในจตวปาฏิยาเนี่ยจะเป็นการมองในแนวของความแตกต่างของสรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยพระสง์อธิบายแล้วสภาพจิตจะเหมือนกันน ะ, ะัะบอกว่า พิสูนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่ อ, อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติจุติก็คือการตายนะอุบัติคือการเกิดของสัตว์ทั้งหลายตายปั๊บเกิดปุ๊บเนะ่ยจิตปฏิสนธิเขามากักมักเขาเรียกว่าจุติปฏิสนธิแต่ว่าในพระบาลีเนี่ยก็จะเรียกอย่างนี้ยจุติอุบัติ อุบัติเรียกอุปบัติของสัตว์ต่างหลายเธอเห็นมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุปบัติเลวประณีดมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามดได้ดีตกยากด้วยทิพยสุอันบริสุทธ์ล่วงจากสุของมนุษย์อันนี้สําคัญนะฮะสาคัญคล้ายๆกับคนซึ่งเห็นเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยด้วยกล้องจุลทรรศเห็นจักรวาลนะะ ระบบสุรีษจั ก, กรวานต่างๆหรือล้องโทรทัศน์หมายความว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นดังนั้นผล ก, การรู้เห็นตัวนี้หูรู้เห็นในเทปิจักสุสิ่งเราจะต้องถามก็คือว่าเรามีทเทปิจักสุหรือเปล่าถ้าเราไม่มีทเทปิจักสุเราก็จะรู้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เชื่อไว้เนี่ยไม่เสียหายเพราะทรงสแสดงว่ า, าการที่สัตว์แตกต่างกันอย่างเนี้ย ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวิจิทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำํำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไอ้ น, นี่ ค, ค, คือคือคือประเด็นคําวัดตายนะฮะตายหมายถึงตายเลยนะตายที่คนตายกันนี่แหละไม่ได้หมายถึงการเกิดดับของจิตนะ การเกดับของจิตก็ไดอุปาดทิฏฐิพังค่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเขาไม่ได้พูดถึงการการการดับของจิตยอย่างนั้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็จะรับสั่งอย่างนี้ตลอดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมก็ถึงทุกติวินิบาตในรกส่วนสัตว์เหล่านี้ที่ตรงันข้ามเนีูประพฤติสุจริตทางกายทางวิาจาใจ นะไม่ตีเตียนพระเจ้าเป็นสมาธิจิยึดถือการกระทาเรื่องนาสมาธิชิเมืออหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะ่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของพยานซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ที่พัฒนาจิตมาถึงอยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะ ง, งั้นพยานยานเหล่านี้ยานสามเนี่ยปรากฏแก่พระอรหันต์ทั้งหลายนะ เพราะว่าข้อสุดท้ายนี่เป็นอาสวัขยานแต่จริงสองข้อเนี่ยโลกิยะชนก็มีได้นะสองข้อแรกเนี่ยโลกิชนก็มีได้เขาเรียกว่าเป็นอภิญญาอภิญญานั้นเป็นโลกิยะอยู่ห้าข้อนะบิน ญ, ญาเขามีหกข้อสุดท้ายเนี่ยไม่มีถ้าข้อสุดท้ายมีมีเฉพาะพวกเดียวคือพระอาหารหันตานั้นเพราะานั่กรับสั่งถึงอาสวัยานว่า ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกร่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อ ม, อ ม, อมจิตไปเพื่ออาสวัคยานหมายความมาดูที่จิตของตัวเองเธอย่อมรู้ชัดตามความจริงว่าเป็นการรู้วิยศัสตร์ อนี่ทุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติที่ถึงถึงความดับทุกแล้วก็นี่อาสวะนี่เหตุเกิดอาสวะนี่ความดับอาสวะนี่ข้อปฏิบัติที่ถึงถึงความดับอาสวะแล้วก็เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาสวะกรมอาสวะฝวอาสวะวิชาตาวะเพระงั้นตรงนี้เราจะได้จัจะได้ยินนะว่า เวลาพูดแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นจากอาสาวะาทาั้งหลายแต่ไม่ถือมั่นอุปาทานนะไม่ถือมั่นดูปาทานเพราะอาสวะกับปาทานก็เป็นกิเลสด้วยกันแล้วข้อความจะเหมือนกันเหมือนตั้งแต่โน่นตั้งแต่ธรรมจักกัตตนสูตรแต่ว่าข้อความส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกับในอนัตตลักษณสูตรเพราะในธรมมจักรกัตตนสูตรไม่มีใครบรรลุอรหันต์นะฮะไม่ไม่ใครมีมีใครบรรลุอรหันต์เป็นพระหาน เหมือนกับอาทิตต์ปยายสูตรเหมือนกันนัตตะลักนณสูตรข้อความจะเหมือนกันคือเมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้กีนาชาติชา ต, ชาติสิ้นแล้ววุสิตังพรรมจารย์ยังพรุมรมาจันนอยู่จบแล้วกระตังกินิยังกิตทีควรทําได้ทําเสร็จแล้ว นาปรางังอิตธตายาติปชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนี่คือบุคคลประเภทที่สี่นะฮะประเภทที่สี่ที่ทรงแสดงเนี่ยหมายความว่าเป็นการสะท้อนอาการของศีลคือที่พูดกับท่านเปตสะกกับท่านกันทราเนี่ยเป็นการพูดระดับศีลเพราะว่าเขาเป็นชาวบ้านที่จริงการ ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทำตนในเดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นในเดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทำผู้อื่นในเดือดร้อนไม่เป็นอาการของศีลหือถ้าเป็นอาการของสมาธิแล้วก็เรียกว่าทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองแล ะ, วลแะแคน ν, ละวนขวายในการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นแะขวนขวายในการทำประโยชน์แก่บุคคลอื่น แต่ที่จริงก็เป็นอาการเดียวกันนั่นนะครับหมายความว่าคล้ายกับไม่เดินไปซ้ายก็เดินไปขวาพ้นการ Flower, ที่ไม่ทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ควนขวายในการทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่ควนขวายในการทําบุคคลอื่นเดือดร้อนก็คือขขขาการทำจริง ท, ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นกนตนเองและเกื้อกูลแก่กบุคคลอื่นเพราะรับสั่งว่า เขาไม่ทำตนในเดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นในเดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทตัวนี้อาการพระอระหันต์นะฮะไม่มีความหิวดับสนิทเป็นอยู่เป็นผู้เย็นสเสวยแต่ความสุขมีตนดังพรมอยู่ในปัจจุบันพรมในความหมายนี้หมายความมาสูงสุดนะฮะหมายความมาสูงสุดเพราะว่า เป็นคาที่เรานำมาปฏิรูปเราอาจจะใช้ทั้งพรมทั้งพรามแต่ว่าถ้าเราดูในที่ทั่วไปเราเจอกัว่าพรามมากกว่าว่าพรมนะรแต่ว่าพรามเนี่ยดูจะสื่อสารง่ายกว่าคนจะเข้าใจง่ายกว่าพรมเนี่ยอาจจะสื่อสารยากสมัยนั้นนะฮน ะ, ะมสมัยนั้น อันนี้ก็เป็นประธรรมเทศนาที่แสดงให้เห็นว่าระสดุมัชฌิมิกาเนี่ยเป็นประสูตรที่ขนาดค่อนข้างยาวแล้วก็ในยักษ์วัตถมัเนี่ยจะมีเป็นตอนเป็นตอนมันเรียงลักษณะแค่ๆบันไดมันไต่ขึ้นไปจากระดับล่างแล้วขึ้นไปสูงเรื่อยๆมันก็ยากกันไปเรื่อยๆแต่ข้อสาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าปัญหาเรื่องนิวรเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ นิวรมันเป็นอาการของความโรคกวดหลงพูดง่ายๆก็คือเป็นความคิดอะ่ะเป็นความคิดที่ปรุงคิดคิดปรุงแล้วก็กลุ้มกลุมใจไม่ได้ต้องเป็นพระยาบุคคลจึงสงบประงับได้คือทํำยังไงว่าในชีวิตเนี่ยพยายามมองสิ่งทั้งหลายต่างความเป็นจริงไม่สวยไม่งามก็คือไม่สวยไม่งาม ไอ้ความโกรธความพยาบาทนั้นไม่รู้ทําไปทําอะไรนะฮะอย่างดีทรงแสดงออาเหมือนเคนป่วยใคเรเจ็บปวดก็เราคนเดียวคนอื่นไม่รับรู้ความเจ็บปวดอะไรของเราแล้วความเงาเหงาหงานอนซึ่งซึมนอนเหงาก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการทําตัวเองให้เสื่อมคุณค่าตกต่ําความฟุ้งซ่านยิ่งไปใหญ่ แล้วก็สรุปว่าเวลาเนี้ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรมากเกินไปนะฮะเราจะเดือดร้อนแต่ว่าแน่นอนข่าวคราวเรายวันติดติดตามนะฮะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยต้องต้องระมัดระวังนะฮะอย่าให้ลามมาขึ้นในจังหวัดที่สามที่สี่ที่สี่ที่ห้า เพราะเป็นงนะั้นทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งความมั่นคงทางวัฒนธรรมมันจะปวดหมดเลยราชการเองก็ต้องตื่นตัวมากเป็นพิเศษแล้วก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลธรรมาดาจะต้องมีขุ้นขายโยงใยอะไรที่คล้ายๆกับเป็นกับดัก ที่จะล่อให้เรากระโจนเข้าไปสู่กับดักแล้วก็กลายเป็นเงื่อนไขนะฮะกลายเป็นเงื่อนไขที่เหมือนก็เกิดในอิรักนะฮะโดยจเฉพาะในอิรักจริงๆแล้วถ้าจับให้ได้เนะี่ยจะเป็นคนดั่งชาติเยอะอยู่แต่แถว น, นั้นนะฮะพอะกาประกาศไว้ตั้งแต่อเมริกาบอกว่าจะบุกนะฮะเขาก็ประกาศแล้วคือจะเข้าไปเป็นทงครามกองโจร ่อเมริกาคงลืมเรื่องวิทนาไหนะเลยก็บุกเข้าไปติดกับอยู่ทีเวลานี้งั้น ป, ปัญหาเหล่านี้เราก็ต้องรับรู้เราก็ต้องติดตามประสมควรแต่ว่าไม่ต้องอมากลุ้มอะเพราะว่าเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราช่วยอะไรก็ช่วยอาบาก็พูยกับเจ้าคณะจังหวัดสามสี่รูปอนนั้นเนี่ยบอกว่า คือมีความคิดอะไรที่ที่เห็นว่ามันมีปัญหาแล้วต้องการให้ส่วนกลางเขาช่วยเหลื อ, อคิดไว้แล้วก็พยายามรวบรวมไว้แล้วก็จะติดต่อประสานมาเราก็พอจะช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยเหลือบอกกล่าวขอร้องรัฐบาลอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปว่าไม่ต้องกลุ่มไม่ต้องไม่ต้องลุ่มไม่ต้องวิตกกังบนไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนอนให้หลับ คนอื่นเขามีภาราชีในการกระทาอยู่แล้วก็ต้องไว้ใจเขานะฮะแต่อย่าไปซ้ําเติมเขาอยู่เรื่อยๆคนทํางานภาคสนามมีแต่คนซ้ำเติมเนี่ยคนปกป้องชาติบันเมืองถูกซ้ําเติมคนละเมิดกฎหมายถูกปกป้องเนี่ยมันน่าช้านะฮะทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเจลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูญในธรรมยินดีท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วทั่วกันสวัสดี